พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบห้าลำดับที่แปดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรุธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าเราเกิดมาถูกที่แล้ว พวกเราท่านทั้งหลายมาจากกลุ่มพวาปีหลวงพ่อบอกว่าให้พวกเราตั้งสัตวิ จ, จความจริงจังและจริงใจในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์สำหรับตนเองอันนี้พี่น้องทางกลุ่มพวาปีหรือทุกท่านที่มาจากทิ่อื่นก็ให้ฟังเอาไว้ว่าปีต่อไปเราจะทำอะไรบ้างในพรรษา พอพันษามีอยู่สมเดือนเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทคือเป็นบริษัทของพระพุทธทเจ้าพวกเราควรจะทำตนอย่างไรให้เกิดประโยชน์ให้ดีที่สุดตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธทเจ้าในพันษาที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวคณะทายาิโยมในพันษานี้ข้าไปเจ้าจงงดปุรีข้าไปเจ้าจงงดเหล้า ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ได้ขาดก่อนนอนจะทำวัดเย็นซะก่อนตื่นนอนจะทำวัดเช้าถึงจะมากหรือน้อยก็ต้องได้ทำวัดหรือข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาทุกวันวันละหานาทีสิบนาทีหรือเราจะข้าพเจ้าจะไสบาททาบุญทุกวันไม่แหกขาดหรือข้าพเจ้าจะรักษาสิห้าทุกวันพระหรือตลอดไตรมาสมเดือน อหรืข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่คุณงามความดีล้วนแล้วแต่เป็นหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าวันนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านกันนะัต ย, ยาญาิโยมถึงถึงได้ฟังณะบัตรนี้ก็ตั้งใจตั้งแต่บัตรนี้ตั้งแต่บัตรนี้ละข้าพเจ้าจะงดบุหรีจนออกพรรษาหรือข้าพเจ้าจะงดธุราจนออกพรรษาหรือข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวัน จนออกพรรษาก็ยังได้เพราะคุณงามความดีเราทำเมื่อไหร่ก็คือคุณงามความดีเหมือนกับความชัวนะ่วน่ะความชั่วเราทำเมื่อไหร่คือความชัว่วแต่เมื่อเราทำเมื่อไหร่ก็คือคุณงามความดีแต่วันนี้เข้าพรรษามาได้หนึ่งเดือนกับสามสามวันพระหรือว่าสามอาทิตย์วันนี้จากนั้นก็กคงจะออกพรรษา เพราะนั้นขอให้คณะสัตธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจพวกเราจะสงบร่มเย็นเป็นสุกนานเท่านานแต่มีแต่เอาแต่ความชั่วเข้าสู่จิตใจแล้วมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายาเพราะนั้นวันนี้วันหนึ่งที่พวกเราได้มาสู่วัดวาศาสนาได้มาสู่วัดของหลวงพ่ อ, อได้ทำบุญตักบาตรจากนี้ก็ตนนี้ไปก็ ได้ไหว้พระแล้วก็สมาทานสินต่อไปแล้วก็คงจะรับทานอาหารเสร็จแล้วก็มีอะไรคงจะพูดกันาจากนั้นก็คงจะขึ้นไปชมพระภูก้อนวัดป่าภูก้อนไปดูพระที่สวยงามาพระนอนไปกราบไปไหว้จากนั้นจะไปที่ไหนกัค่อยอแยกย้ายกันกับวันนี้เป็นวันกุศล เ, เป็นวันบุญเป็นวันกุศลของพวกเร า, เานายกของท่านใจดี ได้ชักชวนพี่น้องลูกหลานพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าให้เข้ามาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อวัน ด, ดีดีมากๆาเพราะเหตุไรเพราะผู้สูงอายุโดยมากก็ถือจะได้มามีโอกาสอย่างนี้หาได้ยากมากมีแต่อยู่วกวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านของตอนเองแต่มาไกลอย่างนี้มาเห็นสถานหัวัดวาศาสนา เป็นการทัศนะศึกษาทัศนะคือการดูสถานที่ต่างๆว่าวัดของท่านเป็นยังไงทรงอบร่มเย็นเป็นสุขยังไงเราจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขเคหาสถานของพวกเราทําไปดูหลายบ้านหลายเมืองเราจะเห็นเราจะได้ความรู้มากหลากหลายที่เราได้รู้ได้เห็นเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวัน มงคลสำหรับพวกเราต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีล น, นะผู้ที่รักษาศีลห้าก็รักษาได้แต่รักษาศีลห้าในวัดหลวงพ่อถึงยังไงก็ให้ตลอดรอดฟังก็ดีนะศีลห้านี่คืออะไรกินห้าคือก่อนที่จะว่าก่อนที่จะรักษาศีลห้าหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำวาดนาโมก่อนนโมตัดสะสามจบ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือนโมสามจบจากนั้นกัพุทธทางสรนังคัจามิธรรมังสังขังดูตียามปีพุทธทางธรรมังสังขังตาตียามปีพุทธทางธรรมังสังขังสรนังคัจามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระนะเป็นที่พึ่ง จากนั้นก็ว่าเป็นองศิลปานติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าจงงดเว้นในการฆ่าการฆ่าคนอื่นเขาเขาฆ่าเราเราฆ่าเขาถ้าเราไปฆ่าเขาก็ไม่เป็นไรเพราะเราไปฆ่าเขาความสุขความทุกข์ความเจ็บปวดอย่างไงเราไม่รู้แต่เมื่อเขามาฆ่าเราเราจะรู้สึกท่านเขามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเรา เรามีความรู้สึกอย่างไรเราไปฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเนหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเขาเราเขาเราเราจะทำความชั่วความเสียหายเออความที่ไม่ดีต่อกันน่ะเออถ้าหากว่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นมีแต่ธรรมอย่างเดียวมีแต่ชะใจอย่างเดียวไม่ได้นะ ไม่ใช่ผิดศีลธรรมเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าข้าพเจ้าจะงดเว้นในการขโมยสิ่งของขโมยสิ่งของก็คือขโมยรองเท้าขโมยรถขโมยสิ่งของของใช้ที่พวกเราเห็นขโมยผลที่สุดขโมยพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานของเขามาเรียกค่าไทยจะจัดเป็นขโมยเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องขโมยเขามาขโมยของเราเราดีใจไหมเสียใจ ถ้าเราไปขโมยของเขาล่ะเขาเสียใจไหมเสียใจเพราะนั้นต้องระมัดระวังอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างมาสู่วัดวาศาสนาอย่างนี้แหละอันนี้คือมาสร้างบุญสร้างกุศลอย่ามาทำสิ่งที่มันไม่มดเีเราไปอยู่นะ่สถานที่ใดก็าตามนะถ้าเข้าสู่วัดวาศาสนาเออเป็นสถานที่พระพุทธเจ้า เ, เป็นวัดวาศาสนาเราควรจะคุณทา่าสร้างคุณงามความดี อย่างนั้นไม่นจึงจะถูกบางคนลูกหลานบางคนศรัทธาญาติโยมบางคนไปสู่วัดวาศาสนาไปตับกลับไปทําความชั่วไปกรอบหวยเอาบาปใส่ตนเองไม่ถูกนะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเนะ่าหลวงพ่อขอเตือนบอกกล่าวให้กับพวกเราทุกๆท่านไปในะสถานที่ใดเราต้องดูเป็นสถานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นสถานที่วัดวาศาสนาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ สร้างบุญสร้างกุศลพอเราก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลไปขโมยโพยโจรอันนั้นไม่ถูกนะอันนี้กคคืออธินาทานาเว ร, รมะนีข้อที่สามกาเมสุมิสาจาราเวรมะนีข้าพรเจ้าจะงดเคารพสิทธิ์ในสามีภรรยาคนอื่นเขาเขาเหมือนเช่นเดียวกันเคารพสิทธภรรยาซึ่งกันและกันสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขากรักสงวนห่วงแหน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 ซุปทองคำํำซุปสีทองมาขายให้เราพอเรารู้ทีหลังว่าเป็นตะกวนเราก็เสียใจเราก็เสียเงินไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการขามโมยหรือว่าการต้มตุ๋นหลอกลวงกันไม่เป็นผลดีโกหกกันเพราะฉะนั้นให้เคารพซึ่งกันและกันอันนี้คือศินข้อที่สข้อที่หสุราเมรยาต์มัชชะปมาอย่างที่หลวงพ่อไว้ข้าพเจ้าจะงดเว้นในการดื่มสุรานี สุราเมรยะสุราก็คือเหล้ า, เ, าเมรัยสุราเมรเมรยะคือเมรัยก็คือเบียร์นะห้ามกินเหล้ากินเบียร์คัญชายาฝิ่นเฮโลอินของเสพติดทั้งหลายถ้าเราเสพเข้าไปแล้วทำให้จิตใจสมองของเราปั่นป่วนขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วทุกอย่างเพราะคนขาดสติ เพราะคนขาดสติคือคนเป็นบ้านคุณบ้านะคนบ้าแล้วก็ทําความชั่วเลยทุกอย่างไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่าไม่รู้จักพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่รู้จักวัดวาศาสนาไม่จักครูไม่รู้จกักครูราคบ า, าอาจารย์เพราะมันขาดสติมันทําความชั่วข้าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ลาบระวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะขาดสติเพราะนั้นเรารู้อยู่แล้วท่านดื่มเสพเข้าไปต้องขาดสติ เราจะไปเสพให้โง่ดื่มให้โง่ทําไม เ, เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะทา ญ, ญาทโยมนะพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านะคำว่าพุทธบริษัทเห็นไหมหลวงพ่อก็เป็นบริษัทอยู่ในกลุ่มบริษัทของพวกเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราจึงบอกกันในบริษัทเอออย่าไปทำเนอ้อสิ่งที่มันสิ่งที่มันไม่ดีเนะ้อลูกหลานเนอ้ออันนี้คือคอสินห่าน ะ, ะสินอุโบสถก็สําหรับผู้ที่จะขัดเกลากิเลสให้เบาบางการรักษาศินอุโบสถ ไม่ทานอาหารเวลาวิการไม่งทัไม่ฟังเสียงร้องรำทำเพลงเองหรือฟกเสียงฟังเสียงร้องรำทำเพลงคนอื่นไม่ทัดชงดอกไม้ของหอมไม่นอนที่นอนอันใหญ่ที่ยัดนุ่นแล่สำลีอันนี้คือเครื่องเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเหมือนกับพระถือธุดงอย่างนั้นละพระถือธุดงพระธุดงนี่ก็เหมือนกันโยมถือธุดงก็คือ งดอาหารงดฟังดนตรีร้องรำทำเพลงงดลูปไล้ของหอมร่างกายปรับตกแตง่งจนเป็นตัวอีเกละครไปฮะแล้วก็ไม่ให้นอนที่นอนที่จัดนุ่นได้ซ้ำหลีอันนี้คือสินแปดนะห้าหเจ็ดปดนะเอาต่อเนี้ไปรับสินนะจะดีนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสี่เลนะสุขติงยันติสี่เลนะโพกสัมปทธาสี่เลนะนิพุติงยันติตัดสมาสี่ลังวิโสทะเยสาทุเอาต่อนี้ไปให้คณะสัายาติโยมอยู่ในความสงบอย่าไปคุยกันอ่าแล้วก็ ห้ามถ่ายรูปถ่ายภาพใครมีโทรศัพท์ก็ปิดปิดไว้ก่อนก็ดีถ้ามันเสียงดังมันบรบกวนคนอื่นเขานะต่อนนี้ไปหลวงพ่อก็คงจะพูดไม่นานเมื่อหลวงพ่อพูดจบลงแล้วนะอบรมโวกาเทศแนวทางให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาจบลงแล้วลงพวกเรากลงไปทานอาหารข้างล่างหรือผู้ที่อยู่ข้างบนก็ทานอาหารข้างบนก็ได้จากนั้นมีอะไร เมื่อทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอะไรจะขึ้นมาพบกับหลวงพ่อยังค่อยมาพูดกันแล้วก็ให้สินให้พรจากนั้นก็คงจะแยกย้ายกันวันนี้เลิกนับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งวันหนึ่งที่คณะสัทธาญาติโจมจากอำเภอกุมภวาปีมีท่านนายกทางเทศบาลหรือว่า ผู้ใดหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ถามในรายละเอียดเพราะว่าพี่น้องประชาชนล้นหลามวันนี้ทราบแต่ว่าจะมีประชาชนจากพี่น้องกลุ่มพวานปีประมาณ400กว่าคนแต่หลวงพ่อมองดูแล้วก็เยอะแต่ก็ได้มาสู่วัดของหลวงพ่อแต่วันนี้เป็นวันพระด้วยแรม8ปดค่ำเดือน9 เป็นวันสมาทานศีลเป็นวันรักษาโบสดศีลภายในวัดของหลวงพ่อเพราะนั้นคณะศรัทธาญาติโยมมาสู่วัดว า, าสนาอันดับแรกก็ได้บ่พระแล้วก็สมาทานศีลรักษาศีลห้าตามอัธยาศัยแต่ถึงยังไงก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็ให้ตั้งตนเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีอย่าไปคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเพราะเราได้เกิดมาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าหาได้ยากที่พวกเราจะมาเกิดได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยพระเจ้าแผ่นดินพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็อากาศอาหารบริโภค อะไรทุกอย่างไม่ถึงกับขาดสนแต่ขาดสนก็คือหาเงินยากไปสักหน่อยตนเองไม่เป็นไรมีอาหารการกินอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทุกข์ใจอะไรมากอันนั้นเป็นขอ ง, ของใช้ของอำนวยความสะดวกแต่เมื่อจาเป็นไม่กระจําเป็ น, ปนแต่ว่าแต่ทายัางไงเรามีบุญวัดาสนาบารมีเกิดมาอย่างนี้ก็เอายินดีขนาดนี้ก่อนแต่ก็ อย่าไปงอมืองอเท้าเท่านั้นแหลมันขยันนี่เราเกิดมาพื้นแผ่นดินไทยหลวงพ่อว่านับว่าโชคดีมากที่มาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราคงจะได้ทําบุญไว้ในอดีตจึงได้มาเกิดในเมืองไทยแห่งนี้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรีว่าปฏิรูประเทสวานโซจ่ ปุเพจักรตาปุญญาตาอัตตสัมมาปณิธิใกล้ว่าปุเพกรกตาปุญญาตาปฏิรู ป, ปรเทสวาโซจะอยู่ในประเทศอันสมควรคือประเทศปฏิรูประเท ศ, เทศคือประเทศเไม่ฆ่าประชาชนมากคล้ายๆกับว่าแผ่นดินไม่ไหวภูเขาไฟไม่มีน้ำไม่ท่วมพายุไม่ถลม่มไม่ฆ่า พวกเราเรายุติความผาสุกถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศเขาอย่างประเทศญี่ปุ่นอย่างเนี้ยทั้งภูเขาไฟทั้งสินนามิหรือว่าอย่างประเทศจีนอย่างเนี้ยเราก็ได้ยินบ่อยๆแผ่นดินไหวอย่างพ ม, าม่าอย่างนี้ยแต่เมืองไทยของเรานี้ยแผ่นดินไหวก็นน้อยมากน้ําท่วมก็ไม่ค่อยมีแต่น้ําท่วมเมื่อปีกายปีก่อนนะก็เพราะว่าเรา เรากันน้ําท่วมตัวเองเฉยๆเอ่ถ้าจะให้ปล่อยให้มันไปมันก็ไปได้แต่นี้พวกเราเนี่ยมีแต่ความโลภความโกรธความหลงไปว่า ก, กั้นน้ําท่วมตัวเองขังตัวเองอันนั้นก็ช่วยไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะคนในชาติเราทํากันเองเอ่แต่วัดนี้มันก็คงจะไม่ท่วมแล้วล่ะที่นี่นั่นแหละอันนี้ก็คื อ, อประยูนในปฏิรูปประเทศประเทศที่น่าอยู่ประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ถ้าเราไปเกิดประเทศจรนู้นในอแอฟริกาดูสิละ่ะ ห, หัวโตๆตตท้องใหญ่ๆขารีบๆนะถ้าเราไปเกิดอย่างนั้นเป็นยังไงอาหารการบริโภคไม่มีแต่พวกเราเกิดอยู่ในประเทศที่สมบูรณ์อาหารการบริโภคเหลือเฟือฟุ่งเฟว่อยมากๆอันนี้เราบอกปฏิรูปประเทศปฏิรูประเทศสวาโซจะปุบเพจักกตะปุญญตา พวกเราคงได้ทําบุญไว้ในอดีตชาติจึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเมื่อเราทําบุญแล้วก็โอ้สาตว์ทูนเนอร์ข้าพเจ้าเกิดพบใดชาติใดก็จะได้ให้ไปเกิดในที่กันดานให้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกหลานที่เกิดมาด้วยข้าพเจ้าก็ให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดี อันนี้คือเราตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตนะเพราะเราได้สร้างบุญด้วยได้ตั้งความปรารถนาด้วยได้ทำบุญไว้ด้วยเราจะได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็เมื่อมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วพวกเราก็ควรจะตั้งตนไวชอบเนินอัตตะซัมมาปณิธิให้ตั้งตนไวชอบในเมื่อเรามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์แล้วสงความมุ่ง ม, มาปรารถนาแล้ว เราตั้งตนไว้ไม่ชอบออพอมาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วกินเหล้าเมายาสัมมาเลเทเมาเทำความชั่วเสียหายมากมายหลายๆอย่างอันนั้นก็คือตั้งตนไว้ไม่ชอบแต่เมื่อตั้งตนไว้ไม่ชอบถ้าเราล้มหายตายจากชาตินี้ไป เ, เกิดพบหน้าชาติหน้ากับไปนู่นละ่ะไปเกิดในประเทศที่ไม่พึงปราถนาแล้วทีนี้เพราะเหไรเพราะตั้งตนไว้ไม่ชอบ เพราะนั้นพวกเราคณะสัตยาติโยมทุกทุกท่านนะได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยปฏิโรรปเทสวาโซจะปุเพจักตะปุญญาตาและก็อัตตะสัมมาปณิธิให้ตั้งตนไว้ชอบพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญเพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้พวกเราประกอบคุณงามความดีหนาะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตนี่น้อยนักไม่ยืนยาวแต่บางคนมื้อเช้าในหลงพ่อได้ ไปบินทบาทมีสองยายถามกันอนุอนุเจ้าได้เท่าไหร่หลวงพ่อบอกว่ายายไม่ใช่ได้อายุนะเราเสียอายุเราเสียอายุไปเท่าไหร่ต้องบอกกันอย่างงั้นไม่ใช่ได้อายุได้อายุมันไม่ใช่ว่าจะเพิ่มปีติดอกติใจนะเพราะเสียใต้อายุได้มากเท่าไหร่ยิ่งแกไปเรื่อย พอเราเสียอายุเราไม่ใช่เราเราได้เราเสียอายุไปสมมติว่าเราอายุ70็ปีเนี่เราเสียไปเท่าไหร่เราเสียไปหกสิบยังเหลืออยู่10ปีฮะแปลว่าใกล้เต็มทนเราจะสนุกสนานไหมยังอีก10ปีเราก็ควรจะหาที่พึ่งทางด้านจิตใจเราควรจะหาคุณงามความดีควรเราควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจมันจึงจะถูก ไม่ใช่ว่าเสียอายุไปแล้วเราจะไปดีอกดีใจกินเหล้าเมายาเลี้ยงสนุกสนานเอาหมอลำซิ่งหมอลำหมูมาครบงินในชีวิตของตัวเองในอายุของตัวเองมันไม่ถูกเราควรจะประกอบคุณงามความดีแปลว่าเออข้าพรเจ้าเสียอายุไปแล้วเนี่ยไปข้างหน้าไม่รู้เท่าไหร่จะยังเหลือเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเพราะนั้นเราจะตั้งอยู่ในความประมาทไม่ได้นะเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ดูกรอุบาสกอุบาสิกาพวกท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทนะพวกท่านจะต้องย้ายบ้านนะจะต้องหนีจากบ้านหลังนี้นะจะไปเกิด อ, ออกจากนี้ต่อไปที่ไหนได้คิดไว้แล้วยังได้เตรียมสมบัติไว้แล้วยังเพราะพระพเจ้าท่านเตือนคล้ายๆว่าเราเกิดมาแล้วนะอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องตายเมื่อเราตายแล้วบุญกุศลมีไหม ที่จะพานําพวกเราไปสู่ปลโลกภายภาคหน้านั่นแหะตายแล้วไม่สูญน่าตายแล้วเกิดอีกเนีที่หลวงพ่อเปียบเทพบให้คณะทศไทยญาติโยมได้ฟังบอกว่าร่างกายของเราเนี่เหมือนกับรถแต่จิตใจคือนามธรรมาตัวรู้ๆเนี่ยความรู้เนี่ยเหมือนกับคนขับรถเมื่อรถของเราใช้มานา น, นรถคันนี้ก็ต้องพังธรรมดาเหมือนกับเราใช้รถคันหลายปีเน่ยหลายปีมันก็ต้องพังใช่ไหมล่ะ มันก็เมื่อพังเข้าไปแล้วมันเสียแล้วถึงเพราะมันแก่รถแก่รถใช้มาหลายปีถ้าเป็นสมัยก่อนก็ว่าเอาไม้ไผ่ผูกกระนาบคาบค้ำไว้จะยืนนานสักเท่าไหร่ใ น, นี้คือภาษาในพระไตรปิฎกท่านว่านะสมัยก่อนคือคงจะเป็นลอ้อเป็นเกวียนั่นแนหะเอาไม้ไผ่ผูกกระนาบคาบค้ำไว้จะยืนนานไปสักเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันเราเกิดมาหลายปี เดี๋ยวก็ดามเดี๋ยวก็มีดามหูเอาเครื่องมีหูฟังแล้วก็ดามฟันทำฟันปลอมเข้าไปาแล้วก็ดามตาเอาใส่แว่นตาเข้าไปนี่แหละดามนั่นดามนี้เพราะเผลอแล้วก็มันเดินไม่ไหวก็ใส่ไม้เท้าเข้าไปดามไม้เท้าเข้าไปนี่แหละอันนี้ก็คือความแก่พวกเราทุกคนถ้าไม่ตายง่ายก็ต้องแก่ แผลในสุก็เมื่อแก่ไปแก่ไปก็ถึงจุดจบของชีวิตแต่ร่างกายหนึ่งเหมือนกับรถอย่างที่ว่ารถของเราก็ใช้ไปใช่ไปเดี๋ยวก็ล้อหลุดเดี๋ยวก็คันทรงหลุดเดี๋ยวก็ตัวถังผุเดี๋ยวคันซี่อะไรมันเสียหายมากมายหลายๆอย่างพอรถแต่โซเฟอร์ในเมื่อรถมันเก่ามันคําค่าแล้วจะทํำยังไงเราได้เตรียมเงินไว้แลยอย่างในกระเป๋า ถ้าเราไม่ได้เตรียมเงินไว้นะี่ยให้คิดให้ดีนะเอเมื่อรถคันนี้พังไปแล้วเนี่ยเราจะมีเงินไปซื้อรถคันใหม่ไหมเนี่ยอถ้าว่าพวกเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้านะอพอรถคันนี้พังเท่านั้นแหละท่านนายออกจากร่างกายของเราไปเนี่ยไปที่ไหนเพราะเราไม่มีบุญเพราะเราไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจพอในสุดออกจากร่างนี่แล้วก็ โถตโถ่เตมองไปมองมาก็มองไปเห็นท้องวัวท้องควายท้องหมาท้องหมูเลยท่นนี่เออไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ไปเรื่อยเลยท่นนี่เพรหะอะรเพราะว่าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เพราะฉนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านบอกอย่างนั้นนะคณศสัตยายาดโยมนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ที่โครนต้นโพเออตอนหัวค่าหรือว่าตอนในคืนวันเดือน6กเพนน์ปุกเพนิวาสานุสติยาน ระลึกชาติผลหลังได้ เ, เกิดญ า, านธัศนะเกิดเกิดญานขึ้นมาเกิดฌานขึ้นมาพระพุทธองค์นั่งสมาธิเกิดญ า, านทัชนะขึ้นมาท่านล้ำลึกชาติผลหลังได้เดี๋ยวปุบเพยเนวาสานุสติญาณพอท่านตายแล้วไม่สูญถ้าว่าพวกเราเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวมานั่งอยู่ที่นี่ เ, เราไม่ได้คิดว่ามาจากกลุ่มพระวาปี เ, าเกิดที่นี่ขึ้นมาแต่ได้ถ้าวันเรานึกเราก็ไม่ต้องนึกไม่ออกเพราะว่า เราเกิดมาที่ทเดียวแต่นี้ไม่ใช่เราเนื้ไปโอ้ข้าไปเจ้ามาจากกลุ่มพรวาปีอทิ์ที่แล้วข้าอยู่ที่ไหนเดือนก่อนที่ไหนปีก่อนที่ไหนปีก่อนก่อนอยู่ที่ไหนเพราะพระองค์ลํำลึกถึงชาติก่อนที่ไหนอีกเพราะนั้นมันมีพบมีชาติติดต่อนอนเรื่องกันมาเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาิโยมอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ใครมีบาปมาก บาปก็จะพาไปสู่ทุกขติถ้าหากว่าใครมีบุญมากบุญก็จะไปสู่สุขคติเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเทวาความชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าถ้าทำความชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วความชั่วนั้นจะพาให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังถ้าเราคิดดีทาดีพูดดีสร้างแต่บุญกุศล เราไปเกิดในภพภูมิใดเมื่อเราออกจากภพนี้ชาตินี้เราก็ไปสู่สุขคติไปเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไปเกิดมนุษย์ที่ร่ำรวยจากนั้นมาขอนั้งก็บไปสู่สวรรค์ชั้นพรมถ้าเราละกิเลสได้ก็เข้าสู่นิพพานไปได้ทางนั้นละ่ะถ้าเราทำกรรมชั่วแล้วจะเดือดร้อนนะในหลักธรรมเป็นภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่า อร์อัตังดุกตัางเส้ยโยปัชชาตปฏิดุกตังกรรมชั่วความชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะการคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วนั้นจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังแล้วก็ท่านบอกว่าพวกเราเกิดมาพวกเราเกิดขึ้นมาน่ยท่านพูดถึงใจมั่นโนปุบพัง คำมาธรรมามโนเสรษามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้ว้วยใจนี่แหละหลวงพ่อบอกว่ามโนก็คือใจนะนะั่นร่างกายก็คือรถมโนก็คือ จ, จิตใจร่างกายก็คือรู ป, ปธรรมมโนคือใจนะคือนามธรรมในหลักธรรมคำสอนของพูุทธเจ้าท่านว่าให้ความสำคัญเรื่องมโนมากกว่าเรื่องรู ป, ปธรรมนะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านศึกษาให้ศึกษาและปฏิบัติมีทางเดียวเท่านั้นเรานั่งภาวนาให้ศึกษานั่งภาวนาปฏิบัติแล้วพวกเราจะรู้ได้โดยตนเองว่าอันไหนเกิดอันไหนตายอันไห น, น, น, นสูญอันไหนดับอันไหนไปเกิดเราจะรู้ได้โดยตนเองเพราะนั้นพวกเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์ต่างๆที่พวกเราได้เคารพนับถือเลื่อมใสได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติให้พวกเราศึกษาเน้อลูกหลานกันสัตยาญาติโยมเน้อตายแล้วไม่สูญน้ตายแล้วเกิดอีกแน่ๆน ะ, ะโซเฟอร์เน้อออกจากรถแน่ๆแต่รถเน้อต้องเอาไปเผาไฟทิ้งเอาไปเข้าห้องซุยเอาไปฝังดินแต่ว่าโซเฟอร์เน้อต้องออกจากรถ แต่ออกจากรถน่ะโซเฟอร์มีเงินหรือยังโซเฟอร์ได้คิดไว้ดีหรือยังโซเฟอร์ได้วางแผนตัวเองดีหรือยังถ้าโซเฟอร์ไม่ได้คิดไว้นะ่ะโซเฟอร์จะต้องย่ําตอกนะจะ น, นี่ตกทุกข์ได้ยากนะจะ น, นี่ช่วยไม่ได้ถึงข่าวนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูใบอาจารย์ที่หลวงพ่อได้กล่าวให้พวกเราอยตั้งอยู่ในความประมาท อต่อในไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนะทนีนาะ